เซมเบกไปวาดการ์ตูนจะไปประกอบหนังสือแดดเธอผู้มาใหม่บอกถ้าไม่มีการ์ตูนเด็กไม่ยอมอ่านเขียนน่ารักดีนิดบอกเขาว่าไอ้ลูกล้วยอ่ะที่มีเด็กสองคนนะกับลูกล้วยเขาใช้กล้วยเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของธรมรมะเพราะธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยธรรมะกล้วย ตอบก้วยเข้าปากง่ายแล้วต้องมีสั ญ, ญลักษณ์เด็กสองคนคนหนึ่งนะโอละลาทั้งวันเลย <c oughs> นี่พวกหลงไปอีกพวกหนึ่งเครียดเคร่งเครียดตลอดเวลานี่พวกไปติดเท่งติดบังคับพวกนี้ไม่ได้กินกล้วยทั้งคู่ <c oughs> การสร้างสั ญ, ญลักษณ์นะช่างคิดธรรมะจริงๆเรื่องกล้วยๆนะ ง่ายมันยากเพราะว่าเราไปคิดเอาเองว่ายากเราปรุงแต่งไม่เลิกมันแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจมันจะยากอะไรตัวเรามีอยู่นะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกกายไว้อย่าให้มันหายไปจากโลกจิตใจเราขยับเคยเยื่อนเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกจิตใจไว้อย่าลืมกายอย่าลืมใจก็แล้วกันแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจไปบังคับกายบังคับใจอย่าไปกําหนดกายกําหนดใจ เพ่งไว้บังคับไว้กำหนดไว้อะไนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มแทรกแสงทําให้กายให้ใจมันนิ่งผิดความเป็นจริงไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกนั่นให้เรารู้สภาวะไปเรื่อยแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะนะอย่างความโลภเกิดขึ้นเราก็รู้ทันความโกรธเกิดแล้วก็รู้ความหลงเกิดนะรู้การที่เราแยกได้ว่านี้เป็นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่อันเดียวกันเพราะว่าแต่ละตัวมันมีลักษณะไม่เหมือนกันเรีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ภาษาพิธามเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษนั่นเองภาษาไทยนะลักษณะที่เศษเฉพาะตัวความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะตัวความโลภความหลงความสุขความทุกข์เนี่ยสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะตัวการที่เราเห็นแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดขึ้นเราแยกได้ว่าอันนี้กับอันนี้คนละอันล้วก็จะเห็นในทุกอันที่เกิดในล้วนแต่ดับทั้งสิ้น อนนี้เราจะเห็นลักษณะร่วมของทุกๆตัวเรียกว่าสามัญลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ น, นั่นเองเวลาที่เราจะเห็นแจ้งธรรมะในเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราดูสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปตัวนี้เกิดแล้วก็ดับตัวนี้เกิดแล้วก็ดับดูซ้ำซากดูอย่างนี้นานไปถึงจุดหนึ่งจิตมันปิ๊งปิ๊งขึ้นมานัมันรู้ลักษณะร่วมของทุกๆตัวเห็นไหมเวลาเข้าใจเนี่ยเข้าใจรวบยอดไม่ได้เข้าใจอันเดียว ไม่ใช่เข้าใจว่าความโกรธเกิดระดับความโลภเกิดระดับความหลงเกิดระดับแต่เข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดระดับเข้าใจเวลาเข้าใจแล้วเข้าใจรวบยอดผู้ดใดเข้าใจความจริงรวบยอดว่าทุกสิ่งเกิดระดับนะก็จะเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีนี่เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันการจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สําหรับมนุษย์ธรรมดามนันธรรมดามนุษย์ปกติมนุษย์ผิดปกติก็มีนะพวกหลงพิเศษ เกิดมาก็หลงทั้งชาติเลยนะพวกนี้ไม่ภาวนาวันไหนตั้งอกตั้งใจศึกษาหลักธรรมที่พระที่นั่สอนให้ดีโอกาสที่จะได้เป็นพระโสดาบันในชีวิตนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะไม่ใช่ยากอะไรก็แค่รู้กายแค่รู้ใจเห็นทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปดูอยู่เท่านี้แหละวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปนะปีแล้วปีเล่าไม่สําเร็จดูมันชาติแล้วชาติเล่าเท่าเอาอย่างคุณทหารนี่ หลวงพ่อก็สู้มาแบบนี้นะตั้งอกตั้งใจภาวนากีภพกี่ชาติก็ตั้งใจนี่ชาตินี้ยังไม่จบชาติหน้าเอาอีกสู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสู้อย่างนี้นะจะข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องสู้ตายตายแล้วตายอีกด้วยการที่พวกเราพัฒนาตัวเองจนมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบขนาด น, นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดากว่าจะเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ เนสัตว์นี่มีจานวนมากที่เป็นคนมีน้อยแล้วเป็นคนที่สมบูรณ์แบบไม่บ้าใบาบอดหนวกมาแต่กำเนิดนี่ก็เป็นบุญนะส่งมาให้ตรงนี้ยังจะสนใจศึกษาธรรมะอีกนี่หายากแล้วในโลกนี้คนที่สนใจธรรมะจริงๆมีนิดเดียวเข้าวัดก็พอมีบ้างนะมาหาหวยมาหาเบอร์มาหาของขลัง แต่แรกๆ ก, ก็มีคนมาขอเครื่องรางของขลังหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็ออมกออมกไม่มีให้ไม่ให้ตอนนั้นบวชไม่นานนะอยู่เมืองการมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ามาเข้ามาในวัดนะหิ้วปิ่นโตมาด้วยนี่มาติดสินบนเอาปิ่นโตมาถวายนะถวายเราก็ฉันใหนะ้เสร็จแล้วก็บอกว่าจะมาขอของดีโอ้ยของดีเหรอของดีต้องปฏิบัติต้องลงมือทําเอา โอ้ไม่เอาไม่เอาอยากได้ของพิเศษนะของขลังมีพระเครื่องไหมบ้กไม่มีไม่ได้สร้างไปไปมาๆนะแกหันไปหันมานะขอเอาตะไครตัดจีวอนท่านไปหน่อยได้ไหมแน่มันจะเอาให้ได้นะเพราะลงทุนมาแล้วหนึ่งปิ่นโตนะบอกเฮ้ oney, ยามาตัดนะเรามีผ้าอยู่ผืนเดียวนะ <Punch> ตอนนั้นบวชใหม่ๆล้วมาตัดล้วแล้วเราอะไรใช้อะนะบอกงั้นมีคาถาไหมนี่เห็นไหมวัตถุไม่ได้แล้วขอคาถาที่ทำให้รวยบอกอ๋ออยากได้คาถารวยมีท่องไว้นะ เ, เตรียมท่องหย่างนะข้ขอที่หนึ่งนะอุทธธานะสัมปทาขยันหาทรัพย์ยมวรีรอนะโอ้ยอย่างนี้ไม่เอา <c oughs> บอกให้คาถานี้ยแหละของจริง คถาของพระพุทธเจ้านะอุทานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุดจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารังรอรีบทำกินเร็วไวพอได้มาแล้วก็ต้องรู้จักรักษาไวเห็นไหมอย่าให้ทรัพย์นั้นวอดวายกัลยาณมิตรตาการครบหากันมิสหายคบเพื่อนดีก็จะสบายคบเพื่อนร้ายจะวอดวายกรอมตรมนแล้วก็สมาชีวิตตาดารงชีวิตเนี่ยพอเหมาะพอสม ถ้าใครทําได้สี่อย่างนี้รวยโอเยคนนี้ร้องจั๊กเลยไม่เอาคาถานี้อยากได้ท่องท่องนะท่องนะมังเงกรหน้มือนะอะไรเงี้ยเอออย่างนี้เราวรวยบอกไม่มีคาถาอย่างนั้นไม่มีบอกอ๋อราววันนี้ไม่ขลังไปเลยนะวันนี้ไม่ขลังแล้วขออะไรก็ไม่ให้สิ่งอย่างขอพระเครื่องก็ไม่มีขอเหรียญก็ไม่ให้ขอตัดจีบรก็ไม่ยอมนะ ออขอคาถาให้คาถาอะไรก็ไม่รู้ที่มันต้องลำบากอยากได้อะไรที่มันสบายอยากได้ของสบายไม่มีจริงอ่นะทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นอยากได้มากผลนิพพานก็ต้องทําเอาอยากเป็นคนดีก็ต้องทําเอาอยากไปลงนรกก็ต้องทําเอาต้องทำเอาเองทั้งสิ้นเลยไม่มีหรอกที่ได้ลอยลอยฟรีๆนี่จงบางคนก็อยากได้รูปหลวงพ่อทํารูปหลวงพ่อมาให้แจกนี่คุณมลเป็นต้นต้นตํนำรับะ แจกแจกไปนะวันดีคืนดีก็เริ่มมาแล้วอยากได้เหรียญได้ข่าวว่าหลวงพ่อเนี่ยขลังรถว่ํารถหงายมาหลายคันแล้วมีแต่รูปหลวงพ่อแค่รูปเฉยๆนะก็ขลังแล้วบางคนไปตัดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็ขลังแล้วบอกที่ลูกศิษย์ปันตติขลังไม่ใช่เพราะหลวงพ่อขลังนะลูกศิษย์วันนี้ขลังเพราะลูกศิษย์วันนี้เจริญสติเห็นไหมเวลารถมันจะว่า มันมีสติมันรักษาตัวไม่ใช่รถฉลับกะตกใจวิตงว่ายกระตู้วหลับหูหลับตานะชนไปเรื่อยๆเนะียขาดสติเพราะเรามีสติเห็นไหมสติคุ้มครองเราไม่ใช่หลวงพ่อคุ้มครองนะหลวงพ่อไปคุ้มครองใครไม่ได้หรอกอย่างถ้าหลวงพ่อซุ่มซ่ามเดินหกล้มแข้งขาเขาหักเหมือนกันไม่ใช่ไม่หัก mm hmm. งั้นอย่าเชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุมีผลนะรูปพระพุทธเจ้ารูปครูบาาจารย์เอาไว้เตือนสติ จริงๆมันมีหลอกพลังงานอย่างนี้นะแต่พลังงานในพระเครื่องอะไรนี้ก็มีแต่น้อยกว่าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งอีกเอามาทำให้มันสปาร์กได้ไหมสายไฟมาต่อแล้วกระทบ ก, กันปั๊บทำได้ที่ไหนอ่ะนะแค่เอาไว้เป็นสื่อเท่านั้นเองเป็นสื่อ ล, ลึกถึงพระรัตนตรัยพอเรา ล, ลึกถึงพระรัตนตรัยเราก็ ล, ลึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร สอนให้เว้นอะไรเราก็เว้นสอนให้ทำอะไรเราก็ทำสิแล้วชีวิตเราจะดีเฮงเฮงยิ่งกว่าเฮงเฮงโคตรมหาเฮงอะไรนั่นอีกนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นอ่อนแอนะฉเราต้องเข้มแข็งชาวพุทธที่แท้จริงต้องพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองช่วยตัวเองด้วยการศึกษาธรรมะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยวันหนึ่งเราพ้นทุกข์จริง เราพคนทุกเราก็ช่วยคนอื่นได้ช่วยได้แค่ไหนช่วยได้แค่บอกทางให้อย่าว่าแต่หลวงพ่อหรือพวกเราเลยพระพุทธเจ้าเองท่านก็บอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นท่านบอกทางให้ได้ต้องไปทำเอาเองจะมาขออะไรให้เห่งๆห่งนี่ไม่มีนะไม่มีจริงหรอกได้แต่กาลังใจบางคนมาขอเนี่ยไม่สบายขอให้หลงพ่อเป่าให้หายหลวงพ่อก็ไม่สบายเหมือนกัน ไ้วยเป่าหลวงพ่อบ้างสินะมันเป็นเรื่องไม่จริงนะชาวพุทธต้องไม่เชื่ออะไรที่งมงายเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของเราทำแล้วต้องมีผลเชื่ออย่างนี้ดังั้นเราลงมือทำสิ่งที่ดีๆแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีๆเราทำความดีบางคนก็เจ้าทิฏฐินะทำทาชั่วได้ดีให้อะไรนะทำดีได้ดีมีที่ไหนใช่ไหม ทำชั่วได้ดีมีสมไปเอาอะไรมาวาดัดบอกทำชั่วแล้วรวยสับสนระห ว, ว่างรวยก็ดีแล้วทำดีมันดีตนะ่างหากทำดีไม่ได้บอกว่ารวยนะอยากรวยก็ต้องไปทำอะไรที่ได้เงินมานะคนละเรื่องกันทำดีแล้วมันดีดีแล้วมันเป็นยังไงดีแล้วมันมีความสุขทำไปแล้วจิตใจเรามีความสุขมีความสงบงเราก็ต้องรู้นะต้นทางอย่างนี้ปลายทางจะเป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผล แล้วหัดเจริญสติไปแล้ววันหนึ่งจิตใจเราจะห่างออกจากโลกอย่างเนี้ยเบอร์สามสิบห้าเด็กหญิงไม้นุ่มนะมาหัดเรียนอยู่ไม่เท่าไหร่นะมาไม่กี่ทีดอกตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าขันห้ามันอยู่ห่างๆเหมือนถ้าขันห้ามันอยู่ห่างๆขันห้ามันแปรปรวนไปเราจะไม่ทุกข์นะเพราะว่าขันห้าเป็นเรื่องของขันห้าเราไม่เกี่ยวเนี่ยฝึกไปนะเห็นไหมเห็นผลอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนดอก เราเริ่มเห็นแล้วว่าขันห้ามันอยู่ห่างๆเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีแต่ว่าหัดใหม่ๆยังรู้สึกทนไม่ได้ที่เห็นว่าตัวเราไม่มีพอเห็นว่าตัวเราไม่มีบางคนกลัวเลยบางคนก็เบื่อจับจิตจับใจโมโหไปเลยนะเพราะว่างูนหงิดละตัวเราหายไปแต่ว่าเราไปคิดว่าตัวเราเป็นของดีของวิเศษพอมันหายไปเลยตกใจพอเราเจริญสติมากกว่านี้เราจะรู้เลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเลย เนั้นหายไปได้นี่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นใหญ่ถ้าไปไปะให้พ้นเลยจะไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยว่าตัวเราหายไปแต่ฮัตใหม่ๆนี่เรายังรักอัตตาตัวตวนรุนแรงพอเราเริ่มเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันจะเริ่มหวั่นไหวเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะอดทนไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านช่วงนี้ไปเราจะเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยใจเราก็เข้าสู่ความเป็นกลางความสุขก็ชั่วคราวไม่หลงยินดี ความทุกข์มันก็ของชั่วคราวเราไม่หลงยินร้ายอะไรๆเกิดขึ้นก็ของชั่วคราวทั้งหมดทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยพอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะใจจะเป็นกลางพอใจเป็นกลางใจมันไม่ดิน้นใจมันไม่ดิ้นนะใจมันไม่สร้างพบสร้างชาติมันไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาอีกจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้ยสุขจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบนะอย่างหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามันสุขมากมากเนี่ยเรายังไม่เห็นก็อดทนไป ค่อยๆฝึกไปแล้วก็พบว่าเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะวันหนึ่งเราจะพบความสุขที่มหาศาลความสุขที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนะเป็นบรมสุขจริงๆเนี่ยเราหัดจเจริญสติขึ้นมาได้นิดๆหน่อยๆใจตื่นขึ้นมาเนี่เริ่มมีความสุขละเห็นไหมเริ่มริมรสชาติเล็กน้อยฝึกไปเรื่อยนะมันก็จะสัมผัสความสุขที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งรู้ทุกก็ยิ่งมีความสุขรู้ทุกคือกายกับใจ รู้กายรู้ใจไปเรื่อยใจก็ห่างออกจากกายจากใจไปเรื่อยนะมันมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นต่ไม่เสียดายหรอกนะว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราจะไม่ยึดถือไม่หวงแหนเราเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ให้ฝึกนะอดทนอดกลัน้นอดทนเรียนไปเรื่อยอะไรๆไม่สำคัญเั่าอดทนนะทนไว้อึดๆเข้าไว้ ฉลาดทั้งหลายในความฉลาดทั้งหลายนะยนะส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือของกิเลสแต่อดทนนะรู้กายรู้ใจด้วยความอดทนไปนี่แนละ้จะสู้กิเลสได้อย่าเอาความฉลาดไปสู้กิเลสนะกิเลสฉลาดกว่าเราหลายเท่าต้องทนท น, นไว้ถ้าพูดอย่างทหารคือต้องทำสงครามยืดเยอะสงครามยืดเยอะที่แท้จริงจะไม่แพ้เพราะว่าไม่มีวันแพ้เนี่ยไม่ได้กำหนดเวลาไว้ลบไปเรื่อย งั้นเราก็สู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งก็ชนะกิเลสตัณหามันจะยิ่งใหญ่ครองโลกมาถึงแต่ไหนแต่ไหนก็ตามเถอะมันทนกําลังของสติปัญญาทนความภาคเพียนความอดทนของเราไม่ได้หรอกวันที่มันขาดออกจากกันนะมันเหมือนโลกกระแทสะเทือนเลยขาดเปลี่ยงออกไปนะโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยนะมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยความสุขซึ่งสัมผัสเข้าไปแล้วเหมือนธาตุขันของมนุษย์จะทนไม่ไหว เหมือนกายนี้ใจนี้จะทนรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวค่อยฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆแต่พอมีความสุขรุนแรงอย่างนั้นนะปีกว่าๆอะไรเงี้ยค่อยๆเข้าที่เ ข, ข้าที่มีความสุขสบายๆอันนี้ความสุขนี่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง <laughs> หลวงหลวงปู่สุวัสดิ์เล่าให้ฟังนะเขาบอกตอนที่มันขาดตืบออกไปนะเหมือนถอนออกไปเหมือนถอนออกว่างลงเหวไปเลยอัตราตัวตนเนะี่ย ขาออกไปแล้วท่านมีความสุขเันมหาศาลอยู่ปีกว่าๆแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ความเป็นกลางสบายมีความสุขนั่งอยู่นะเข้าไปกราบท่านเลยนั่งที่ท่านก็นั่งแล้วก็ยิ้มนิพพานมีความสุขอย่างยิ่งบางทีก็ไม่พูดนิพพานสุขแท้นาะสุขแท้นาะนั่งอยู่คนเดียวนะนั่งมีความสุขงันฝึกไปหนะ้าเราก็จะมีส่วนของความสุขนี้ได้มีส่วน ของธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งเนี่ยให้ฝึกเอาะขอเอาไม่ได้นะขอเอาไม่ได้ต้องสู้เอาเองอใครจะส่งกันบ้านอาตึกหลวงพ่อครับขออนุญาตว่าไงผมครับคนลดความครับอะไรนะผมคนลดคว่ําครับครับลดความทาไม <laughs> เดี๋ยวหลวงพ่อขอประนามหน่อยลูกศิษย์วันนี้ทําไมลถความบ่อยนะัก <laughs> ก็ช่วงนี้รู้สึกว่าดีขึ้นครับแต่ก่อนมีความทุกข์เยอะเมื่อสองสามทิศก่อนก็เบาขึ้นแต่ว่าจิตยังมียังมีโทสะยืนพื้นอยู่มีความขุ่นมัวอยู่โอ้ยอดเยี่ยมครับดีครับอย่างนี้แหละนะรถปั้มเราก็ไม่กลัวเนาะอย่าขับรถให้มันเร็วนักซี่เ <c oughs> นาะมีญาติโยมมาฟอ้องด้วยพระท่านก็บ่นให้ฟังนะว่าท่านเดินบินธบาตเนี่ยท่านต้องพกไฟฉายแล้วเดี๋ยวนี้ พอรถวิ่งมาถ้ารีบเปิดไฟกะพริบนะท่านกลัวมันเหยียบนะพวกรถที่ไหนวิ่งเพลินมาเช้ามืดพวกที่มาวัดเหล่านี้แหละ <c oughs> อย่าไปเหยียบพระตายกลางทางนะหมาแมวอะไรนี่นะมันเหมือนกัเขตสงวนพันธ์สัตว์นะไม่ให้มากเกินไปหมา ต, ตัวเล็กตัวน้อยนะถูกรถทาวัดเหล่านี้แหละทับเอาไป็นแต่เยอะแย ะ, ยะ <c oughs> ใจเย็นๆเนาะใจเย็น อ้าวฉาดว่าไปหลวงพ่อครับอืมทําไมมาคีดพีมก็อัดอัดไว้ตลอดเลยครับอมืมันเป็นนิสัยเราอย่างนีน้เรากลัวมันไม่ดีกลัวมันจะไม่ดีกลัวมันไม่ได้อย่างใจกลัวหลวงพ่อว่าอะไรก็ <c oughs> กเป็นแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ะดีแล้วตุ่มไม่รั่วใช่ไหมครับอะไรนะตุ่มรั่วไหมครับ ที่หลวงพ่อเทศมาเช้าะที่เรื่องตุ่มรั่วเลยเปล่ามันต้องสอบประวัติกันก่อนถึงจะตอบมีร่วเหมือนกันเลยมีร่วเหมือนกันนะคุยเยอะไปคุยเยอะไปนิดนึงนะครับอ้าตึกเอาลูกชายส่งกันบ้านแล้วก็แล้วกันใช่ครับเดี๋ยวขอส่งของลูกก่อนก็ได้ครับอแต่ว่าคี้อายต้องส่งแทนครับอก็คือตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาเขาฟังซีดีหลวงพ่อทางชาวแล้วเห็นเพราะว่านั่งรถไปด้วยกัน ก็บางครั้งก็จะหันมายิ้มแล้วบอกพ่อเมื่อกี้จิตน้องกอบหนีไปคิดโอ้ย่าเทียมเลยบางทีนั่งดูทีวีอยู่ก็หันมาบอกแม่เขาว่าเม่อ mm hmm. ก, กี้นี่ยน้องกอบเผลอไปแล้วไงครับก็มีกันบ้านที่ส่งของลูกประมาณนี้ครับเป็นรู้จริงไม่ได้แกล้งรู้นะรู้ได้จริงๆครับกี่ปีแล้วเออแปดขวบย่างแปดครับตองติดนะ ส่งของพ่อมั่งครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังเห็นว่าจิตเข้าไปแทรกแซงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งยากในเรื่องของการที่เขาแทรกแซงคือเขาบังคับอารมณ์ตัวเขาเองคือแต่ก่อนเนี่ยจะรู้ว่าพอพอจิตไม่ดีแล้วเราก็อยากจะทําให้มันดีพอตอนหลังรู้สึกว่าไม่ไหวมันเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้จะทําดีไปทําไมมันก็แค่นี้ก็เลยแบบงี้ก็กกอัดอัดนิดนิดแต่ว่าก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาปล่อยนะค่อ ย, ยปลย่ดีขึ้นเยอะแนละ้ว แล้วก็การภาวนาจะง่ายครับแล้วช่วงก่อนตอนที่ไปตะลุมบอลเรื่องหมูกระดาษครับหลวงพ่อมันมีจังหวะอยู่หนึ่งจงหวะหนึ่งซึ่งไม่ได้ทําอะไรเราก็ไปเห็นโมหะเนี่ยปรากฏอยู่ข้างหน้าเหมือนเป็นกําแพงแล้วเรามองดูอยู่เสร็จ แ, แล้วจิตเขาก็รู้สึกขึ้นมาเองว่าสภาวะธรรมเนี่ยก็คือมันไหลออกมาจากใจเองใช่ครับมันสร้างขึ้นมาด้วยจิตเรานีเองครับก็เลยหลังๆไม่ค่อยสนใจเรื่องสภาวะแล้วครับเพราะว่ามันเป็นของปลอมนะมันสร้างให้รู้นะให้รู้การสร้างขึ้นมา ร, รู้ทันจิตที่สร้างสภาวะครับคือแต่ก่อนเนี่ยมีความเข้าใจผิดเหมือนกับว่าสภาวะธรรมนั้นมีอยู่แล้วเราไปค้นพบเข้ามันก็เลยหาใหญ่เลยอ๋อไปหามันนะมันสร้างขึ้นมาเป็นเปล่าๆแล้วก็ดับไปครับหลวงพแค่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวตนไม่มีหรอกเหมือนหมูกระดาษเป็นแค่ภาพลวงตาครับไปหาของไม่มีมันจะเจอได้ไงคือถ้าเรื่องตัวตนเนี่ยสังเกตอยู่ครั้งหนึ่งสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วตัวคําว่าเราเนี่ย เออมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นคราวๆแต่ว่ามันมีสัญญาไปหลอกเอาไว้ว่ามีอยู่อืจกต้องแล้วก็ไปหลงผิดด้วยตัวนั้นเองนะเพื่อรักเชิญมัสกาหนวงพ่อค่ะอ่า อ, อาทิตย์ก่อนนี้ไปเจอเหตุการณ์ที่มันน่าจะตกใจนะคะแต่ว่ามันรู้สึกเฉยๆนิ่งๆ น, งนะจคะ่ะ อ, อันนั้นคือรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวดีแล้วเราพานาเป็นแล้วนะดีแล้วใชได้ แล้วก็ตอนนี้ยังเพ่งอยู่ไหมเจ้าคะ่ะน้อยมากเลยใช้ได้ละรู้ไปเรื่อยๆพอปล่อยใหม่แล้วจะหายเองการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตื่นเต้นตื่นเต้ น, ต น, ตนค่ะหลวงพ่อพุทธแทนให้ละ <laughs> ส่งการบ้านไม่เป็นแต่ว่าอยากส่งการบ้านนะคะฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามดูตามรูม้มาประมาณหนึ่งปีแล้วอ่เจ้าคะ่ะ เห็นอะไรบ้างเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสเห็นความอยากดีเห็นความรักตัวเองอืมเก่งนะเก่งนั่นเฝ้าดูไปอย่างนั้นแหละเห็นไหมทุกอย่างชั่วคราวเห็นค่ะแล้วก็เข้าไปทําอะไรกับมันไม่ได้เลยนั่นทําอะไรไม่ได้แปลว่าอนัตตาทําอะไรไม่ได้เราที่ทําอยู่นี้ถูกไหมคะถูกแต่ตอนนี้ไม่ถูกนะตอนนี้แข็งๆไปตื่นเต้นจนไปมันเป็นไม่เป็นไรเต้นไม่เป็นไรนะ การที่ไม่อยากให้มันตื่นเต้นแล้วไปกดไว้ตัวนี้ทั้งหากแหละที่มีปัญหาดังนั้นสภาวะของกายของจิตเป็นอย่างไงก็ช่างมันเราไม่แทรกแซงมันจิตจะปรุงแต่งอะไรก็ช่างมันเราอย่าไปปรุงแต่งมันก็แล้วกันการที่เราไปกดมันเนี่ยเราปรุงแต่งมันละเราแทรกแซงเราอยากให้หายตื่นเต้นรู้สึกไหมหแต่รู้สึกไหมตอนเนี้ยไม่ได้กดไปแต่ความตื่นเต้นลดลงแล้วค่ะเฉยเฉยถ้ามันเฉยเฉยนะแล้วมันซึนะมไปนิดหนึ่งละเริ่มรู้สึกไหม มันชักจะซึมๆึมไปแล้วซึมลงไปหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วพอเราควรปรับปรุงยังไงบ้างคะก็ดูผู้อยากขี้เกียจนะดูสม่าเสมอระวัง<ร>ลบขี้เกียจเท่านั้นแหละอ่ะร้อยแปดร้อยแปดเดี๋ยวนะยกทีหนึ่งเยอะมากเลยตรงทีหลวงพ่อตาลายเลยนะยกดูไม่ทันมาสักการครับก็ขอส่งกันบ้านฮะ ช่วงนี้ก็เห็นมันนิ่งๆแล้วมันก็แผบไปคิดอ่านนะใช้ได้แล้วนะอันเลิกยุ่งไสยศาสตร์แล้วดีขึ้นเองเลยไสยศาสตร์เล่นละหมอมนะเล่นละมืดๆรู้สึกไหมอย่าไปเล่นมันเล่นละมืดมืดหมัวครับจิตไม่มีความผ่องใสใช้ไม่ได้ครับพอโยนทิ้งไปได้นะสว่างเลยอ่ะส่งไปข้างหลังหลวพ่อครับช่วงนี้ไม่ไม่แนใจว่าว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าครับไปกดมันไว้อะ่ะคือ ช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อมันจะมีความรู้สึกว่าใจมันมีความหนาหนักอยู่แทบตลอดเวลาครับบางทีขับรถไปเพลินๆก็อยู่ดีๆมันก็หนักขึ้นมาแล้วก็มันมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตรงใจปฏิบัติ <S <S 2> <S 2> เพียงแต่ว่ามันมันเป็นความหนักที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนะครับมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองถอยหลังลงไปหรือเปล่า ไม่ไถ่ายนะชีวิจิตเนี่ยมันทํางานของมันเองมันพอมันไปปรุงแต่งขึ้นมันก็หนักหนักขึ้นมาเข้าไปยึดของมันเองเราไม่ได้ทําหรอกมันทําเองไม่ใช่ของคนอื่นนะของเราเองหรือว่ามันมันมีมีความรู้สึกว่าเอะหรือว่าเมื่อก่อนนี้มันก็หนาหนักแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันหนักหนักขึ้นมัาเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านมากกว่านี้อันนี้มันสงบลงไปนะมันสงบเลยกดลงไปด้วยครับ สงบแล้วมันไปกดไปด้วยแต่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมครับยกเว้นกดนะ<อ>ครับไปกดเอาไว้จิตมันไปกดของมันอนะรู้สึกไหมรู้สึกมัน<ต>มีมน้ำหนัแต่เดิมมันฟุ้งซ่านฟุ้งไปฟุ้งมานะลาคาญมันเต็มปัจจัแล้วมันรวมลงไปนะอะละกดทับลงไปอีกมันไม่ใช่รวมเฉยๆนะลงไปอัดลงไปด้วยไปเหยียบมันซ้ําลงไปรู้เล่นๆไปอย่าคิดมากอย่ามาถามนะว่าจะแก้ยังไงอเบอร์ น่นคนใส่แว่นตาข้างหน้าเนี้เอาคนนั้นก่อนก็ได้ในในก้าแล้วครับก็มันค้างอยู่สภาวะนี้มานานแล้วค่ะมันมึดมื ด, มดแล้วมันก็หนักหนักอะเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนอย่างตอนนี้ไม่เดี๋ยวอย่าจงใจปฏิบัติน ะ, ะลืมคําว่าปฏิบัติซะคาว่าปฏิบัตินะเหมือนผีที่หลอกหลอนเราเพราะเราไปแปลปฏิบัติว่าทำเราไม่ต้องทําอะไรหรอกให้มันเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอมันจะหายอจากตรงนี้ ถ้าเรากลัวเผลอนะเราจะไปจ้องไว้ทั้งวันไม่หายอะก็ค้งาองอยู่อย่างเงี้ยเผลอไปบ้างนะนเผลอไปบ้างมันค้างของมันเองเจ้าค่ะแล้วพอดูลงไปมันก็ยังค้างอย่างเงี้ยตจ้าค่ะให้รู้ทันตรงที่ใจไม่ชอบมันะนะใจไม่เป็นกลางรู้ด้ยวยความไม่เป็นกลางก็เลยค้างอยู่ตรงนั้น<ฮ>ถ้าเป็นกลางก็กหลุดเลยนะอย่า <N> อยากเป็นกลางนะอยากเป็นกลางมันก็ไม่หลุดนะอสง์มาก เพิ่งมาครั้งที่สองครับเพิ่งเคยคุยกับหลวงพ่อครั้งแรกปกติดูเวทนาครับอยากถามว่าที่ผมทําอยู่นี่ถูกต้องไหมครับทำความสงบพมาณบ้างนะพอจิตใจเราสงบใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกออกอย่างคิดว่าคีว่าเคยทําได้แต่นั้นเนี่ยพอมันแยกได้แล้วก็ค่อยรู้ไปแล้วแต่สติจะระลึกรู้อะไร สติระลึกรู้กายเราก็เห็นเลกายไม่ใช่เราสติรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราสติไปรู้จิตก mo ็เห็นจิตไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆให้ขันมันกระจายตัวออกไปเวลาเรารู้เวทนาเราก็เห็นวากายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่แต่ละส่วนนั้นไม่ใช่เราใช้ได้นะดีทําความสงบบ้างพอเรามีกําลังมีความสงบแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรา กายก็ไม่ใช่เราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองการนมัสการค่ะเพิ่งมากราบหลวงพ่อครั้งครั้งแรกค่ะก็ไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัติเป็นยังไงบ้างตัวเองไม่รู้แล้วจะถามใครก็ก็ทำอยู่ว่างอะคะ่ะพยายามตามรู้แต่ว่ารู้เล่น<ม>ๆนะรู้เล่นๆ<ม>รู้สบายๆอย่ารู้เคร่งเครียดรู้ไป อ, อย่างสบายคบเคยโกรธไหมโกรธค่ะเคยโลภไหม เคยไหมเคยเลยนะคะเคยไหมเคยโลภบ้างไหมร่มโลภโลภโลภเคยอยากโน้นอยากนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากวลากี่รอบอ่ะทีก็หลงจําไม่ได้เหรอรู้จักหลงยังมันนึกได้อีกวันหนึ่งบ้างโอ้หนานไปหน่อยนะหลงข้ามวันนานไปนิดนึงอช่วงช่วงนี้หนูพยายามที่จะเอสวดมนต์ไหว้พระ ค่ะวันอย่างน้อยวันหนึ่งรอบหนึ่งก็สัง เ, เกตไม่ตอนสวดมนต์เนี่ยบางทีใจก็แอบไปคิดเรื่องอื่นเคยเห็นไหมไปไปค่ะนั่นสวดมนต์บ่อยๆนะสวดมนต์แล้วพอใจไหลแว บ, บไปรู้ทันว่าใจหนีไปแ ล, แล้วก็มาสวดต่ออีกเดี๋ยวก็หนีอีกแว บ, บหนึ่งค่ะสวดมนต์ไปแล้วก็เห็นใจหนีแวบบแวบบแวบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่แต่เวลานั่งนั่งปฏิบัตินะคะมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วแบบมันยังไม่ยอม ยังยังก็เดินเอาไว้นะกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกได้เคลื่อนไหวไว้ไม่ต้องนั่งเยอะหรอกถ้านั่งเยอะเดี๋ยวโมหะแทรกจิตของคุณมีโมหะเยอะถ้านั่งแล้วเดี๋ยวซึมๆมไปพยายามเคลื่อนไหวพยายามเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมหรือสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์มันไม่ค่อยหลับมันออออกกถ้ามันง่วงก็ออกเสียงเรหัางซัมมาอะไรเงี้ยนะสวดไปแล้วก็รู้ทันใจไปได้ใจแอบไปคิดก็รู้ทัน ใจหนีแวบก็รู้ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็เดินเยอะๆเคลื่อนไหวเดินไปแล้วก็ใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันมีที่เดินไหมที่บ้านมีค่ะเออมีแล้วไปเดินเอาค่ะมาส่งมาข้างหน้าคือเพิ่งเคยมาแล้ว่าก็ฟังนิดๆหน่อยๆเท่าที่จับได้ก็คือว่าให้ดูความคิดดูอารมณ์แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองคงมันมันทาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่า พอดูครั้งไรก็ตามเนี่ยมันจะถลําลงไปแล้วก็มีความคิดต่างๆมาทับทับทๆๆทจนตายไปเลยนะฮะตรงที่ใช้ได้เนี่ยนะคือตรงที่มันถลําแล้วรู้ว่าถลําตรงที่จงใจไปดูนี่ใช้ไม่ได้เราอยากดูเราไม่เห็นว่าอยากเ้วก็ไปจ้องไว้พอจ้องแล้วมันถลํายัางดีที่เห็นตอนที่ถลํานะแล้วเห็นไ้มความคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาเห็นนะห้ามมันไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ฝึกห้าม คือเคยได้อ่านที่หลวงพ่อเคยเขียนว่าจะต้องให้จิตเนี่ยมีสมาธิมีความตั้งมั่นระดับหนึ่งพื่อสามารถเห็นความที่ความคิดมันเข้ามาแล้วออกไปได้แต่ว่าผมความคิดแต่สมาธิมไม่มีเลยแล้วก็เคยนั่งสมาธิทําอะไรก็ไม่เคยมีสมาธิเลยอยากได้คําแนะนําว่าจะทํำยังไงดีฮะเราก็ไม่ต้องเอาสมาธิเป็นหลักนะอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดทีหลังเรียกว่าใช้ปัญญานําสมาธิ งั้ไม่ว่าต่อไปนี้ไม่ว่าความรู้สึกอะไรกําลังแปลกปลอมเข้ามาในใจเราเราก็คอยรู้ไปรู้เท่าที่รู้ได้รู้บ้างเผลอบ้างนะไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาจะเครียดเกินไปกลายเป็นเพ่งจ้องอย่างตอนนี้แอบไปคิดแล้วทราบไหมมันคิดตลอดเวลาครับในในห้องนี้ใครไม่คิดบ้างมีไหมยกยกมือให้คนนี้ดูหน่อยทุกคนคิดตลอดเวลาเป็นเรื่องปกตินะถ้าบอกไม่คิดเนี่ยผิดปกติ แต่ว่าสังเกตไหมมันคิดไปบางทีก็คิดแล้วก็เกิดความสุขบางทีคิดไปแล้วก็เกิดความทุกข์เรื่องนี้คิดไปแล้วก็เกิดความโกรธเนีเรื่องนี้คิดไปแล้วก็อยากโน้นอยากนี้อยากได้อะไรขึ้นมางั้นให้มันคิดไปคือจะถามว่าเวลาคิดแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบคิดมากแล้วก็ความคิดมันจะมีเหตุผลมาหลอกว่าความคิดของฉันเนี่ยมีเหตุผลให้คุณต้องฟังคุณจะมันแค่มองไม่ได้คุณต้องเข้ามาร่วมวงด้วยมันไม่สามารถถอนตัวออกมาดูได้อะครับทํำยังไงดีไม่ถอนสิ ดูไปเรื่อยๆดูมันคิดไปเรื่อยๆดูเหมือนเห็นคนอื่นคิดไปเรื่อยๆลองทำอย่างนี้นะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนดูคนอื่นมันคิดไปนั่งดูไอ้คนนี้มันคิดไอ้คนนี้มันช่างคิดเราเป็นแค่คนดูฝึกไว้อย่างนี้นะไปลองดูนะลองดูตัวเองคิดเหมือนดูคนอื่นคิดดูไอ้บ้าคนหนึ่งฟุ้งซ่านดูอย่างนี้นะลองดู ผมไปดูมามันฟุ้งซ่านนะครับหลวงพ่อพ but, แต่ครั้งที่แล้วหลวงพ่อพบอกว่าติดบังคับนะครับอ ม, มองออกไหมบังคับเนี่ยออมองออกนะครับคือฟุ้งซ่านนะไม่เป็นไรฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านของมันเอง <c oughs> แต่ตรงที่เราไม่ชอบเราไปกดเอาไว้เราบังคับไว้ตรงเนี้ยแทรกแสงแล้วไม่ดีป <c oughs> ล่อยให้มันฟุ้งซ่านแล้วเราก็ตามดูไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านพอเราเห็นมันฟุ้งซ่านปุ๊บจิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ในขณะที่รู้ว่าฟุ้งซ่านนะขณะนั้นจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะสลับกันตลอดเวลาเลยแต่เดี๋ยวก็ฟุง้งแตเดี๋ยวก็ไม่ฟุง้งเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งอีกเพราะฉะนั้นตามรู้ไปเรื่อยในที่สุดเราจะเห็นเลยความฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวแล้วก็ห้ามไม่ได้แล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันทีนี้ถ้าดูกิเลสเป็นตัวๆแล้วผมจะติดบังคับอีกครับถ้าดูเป็นสภาพโดยรวมนี่จะดูรวมๆไปดูภาพรวมไป ไม่ต้องไปดูคอนเซนเทรตทีละตัวนะจ้องลงไปเนี่ยจะกลายเป็นการเพ่งของคุณมันติดเพ่งสมาธิเดิมที่ทำอยู่นี่มันทำมาแบบเพ่งเพงแต่คราวนี้คลายกว่าเมื่อก่อนดูออกไหมคลายลงไปเยอะแล้วนะบางคนติดเพ่งมากๆหลวงพ่อก็ไม่แก้ให้นะกลัวโชคเอาบอกให้เลิกเพ่งแนละ้วโมโหนะบางคนก็มันเพ่งมันต้องดีแน่ๆอเงีนะ้ยของคุณมันคลายออกแล้วล่ะ รู้สึกไหมใจมันสว่างใจมันเบาขึ้นมันสว่างขึ้นมันปราดเปรียวว่องไวขึ้นปล่อยให้มันทำงานแล้วก็ตามดูมันไปในตอนเนี้ยมันไปทำงานอย่างหนึ่งคือมันไปคิดทราไหมมันหนีไปคิดแล้วมันหลงหลงไปคิดฟุ้งซ่านขอบคุณครับรู้เล่นๆนะใช้ได้แล้วสวัสดีครับหลวงพ่อคือผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่ง ประมาณสามสี่เดือน<ส>อะไรเงี้ยครับคืออยู่ในรถก็จะเปิดตลอดเวลาก็คิดว่าการหลุดไปคิดหลุดไปรู้สึกอะไ ร, ไรคิดว่าพอจะตามได้ครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ยังติดอยู่คือมันมันจะรู้สึกทึบอะครับทึบประมาณหัวคิ้วหรือตาเนี่ยทำไมในเมื่อเราสามารถตา ม, มรู้สึกหลุดคิดมันยังจงใจแรงไปเวลาที่เราจงใจรู้สึกนะหรือเวลาเราตั้งใจดูเนี่ยบางทีมันแอบเอาตาไปดูก็มีนะ มันไม่ได้เอาจิตไปดูจิตออกมาเอาตาไปดูแล้วมันก็แข็งแข็งเครียดเครียดทีปวดอยู่แถวนี้ก็มีบางคนปวดที่ลู ก, กตาเลยก็มีมันจงใจมากไปให้รู้อย่างผ่อนคลายรู้เล่นเล่นรู้บ้างเผลอบ้างไปแล้วมันจะค่อยค่อยเบาขึ้นไปเองะแต่ถ้าอยากให้หายนะพยายามแก้เนี่ยแก้ไม่ตกหรอกหลวงพ่อก็เคยเป็นมีช่วงหนึ่งภาวนาหัดใหม่ๆนะโอ้ปวดตรงเนี้ยปวด ต่ามาค่อยๆสังเกตว่าทํำไมเป็นอย่างนี้ที่แท้เวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเราจงใจดูเราบังคับตัวเองมากเลยก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยอยากดูให้ชัดๆเนี่ยพออยากดูชัดๆนั้นมันไปเกรงตรงนี้ขึ้นมาเพราะคือจริงเกิดจากการเกรงทางกายภาพทาง<อ>กางยภาพหลวงพอกับแล้โมหะกับโทสะนี่ต่างกันยังไงครับโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่อะไรเข้ามาใกล้นะันจะผลักให้กระเด็นออกไปเลยนะราคะเนี่ยเจออะไรเข้ามาใกล้นะ่าจะดึงเข้ามา โมหะเนี่ยจะจับอะไรไม่ถูกหมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาจับอะไรไม่ถูกคล้ายเหมือนกันโทรศัพจะผลักออกไปรู้สึกไหมเวลามีโทรศัพมันจะผลักทุกสิ่งทุกอย่างคราคาเกิดขึ้นก็จะดึงสิ่งต่างๆเข้ามาตัวโมหะเนี่ยจะหมุนไปหมุนมาะคือความชนปลายไม่ถูกฟุ้งซ่านผุดผาดใจอะไรเงี้ยความฟุ้งซ่านนะความลังเลใจสงสัยอะไรพวกเนี้พวกตระกูลโมหะ ก็ถามคำถามเผื่อแม่คำถามนะครับคือแม่นะครับที่บ้านก็จะมีป้ากับน้องเล็กๆนะครับนี้แม่ก็จะเป็นคนขี้ขี้หงุดหงิดนะครับเวลาป้าทําอะไรไม่ถูกใจหรือน้องทําอะไรไม่ถูกใจเขาก็จะเหมือนกับความโทสะก็จะพุ่งปรีขึ้นมาจะมีวิธีเบื้องต้นนะครับในการที่จะชี้ทางให้แม่ได้ยังไงครับส อ, อแม่วันนี้ก็มาด้วยครับส อ, สอนพ่อสอนแม่เนี่ยเราต้อง มีพัฒนาการให้เขาเห็นอย่างเราบอกพ่อบอกแม่ให้ภาวนาเนี่ยเขาไม่เชื่อเราหรอกเราเด็กเราต้องภาวนานะจนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเรามีความสงบอะไรเงี้ยพอเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราค่อยๆสอนเขาค่อยๆดึงเปิดซีดีหลวงพ่อให้เขาได้ยินบ้างถ้าเขาฟังแล้ว เ, เขาจะชักลําคานเราก็ปิดนะพอเขาเผลอๆ เ, ลอเราก็แยบเปิดใหม่อะไรเงี้ยนะฟังอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็น โทสะมีเหตุมันก็เกิดอย่างที่พูดมามันก็คือเหตุของโทสานั่นแหละ ป, ป้าก็อะไรนะป้ากับน้องทำไม่ถูกใจเห็นไหมก็มีโทสะถ้าเขาทำถูกใจก็ไม่มีโทสะหรอกคำว่าควรไม่ควรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ค่าขึ้นจริงๆเขาเป็นอย่างที่เขาเป็น<ช>แต่เราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นที่เราต้องการเห็นไม แม่เองก็อยากดีไหมแม่อยากมีความสุขไหมทุกคนก็อยากดีทุกคนอยากมีความสุขแต่มันบังคับตัวเองไม่ได้ใจมันก็จะเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาห้ามมันไม่ได้เนี่ยจิตของเราเรายังห้ามไม่ได้เลยเราจะไปห้ามจิตของแม่เนี่ยไม่ได้หรอกจิตของใครก็ห้ามไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อฝึกฝนตนเองนะเรียนรู้ธรรมะไปเนี่ยจิตเข้าสู่ความร่มเย็นของเขาเองค่อยๆหาทางทําต้นทางให้เขาให้เขาได้ยินธรรมะบ้างอะไรบ้าง ชวนเขาทำบุญบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องพัฒนาให้เขาเห็นนะไม่ใช่พอแม่โมโหป้าเราก็โมโหแม่ <c oughs> มันก็พอๆกันแหละครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับหลวงพ่ออยากขอทราบวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นนะครับเ <c oughs> บื้องต้นเลยเหรอที่เหมาะ ก, กับจริตกับของตัวเองครับคุณมันช่างคิดนะเปนคนช่างคิดให้ดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ตามดูความรู้สึกตัวเองไป อย่างนี้ไม่เอานะอานนี้ไปทําให้ทื่อๆไปกดให้ทื่อๆไม่กดมันอย่าไปกดมันปล่อยมันปล่อยให้มันทํางานไปเอาแปส่งไปข้างหลังเอาเอี่ยงหัวเราะคนอื่นรู้แต่ว่าวันนี้มันสลับไปหมดเลยฮะมีทั้งโทสะมีวุ่นวะวุ่นวายไปหมดตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแต่กี้ใช้ได้นะตอนนี้ไปกดล่ะรู้สึกไหมรู้ฮะเมื่อกี้ปล่อยพอปล่อยแล้วตัวจริงมันก็แสดงออกมา เดี๋ยวก็ราคาเดี๋ยวก็โทสะเดี๋ยวก็หลงใช่ไมไม่เห็นมีตัวดีๆสักทีตรงที่รู้ว่ามีราคานี่ยแหละดีตรงที่รู้ว่ามีโทสะเลย ด, ดททีทำไมขอถามบางทีทำไมหลังๆมาเนี่ยฮะหลวงพ่อมันเหมือนจะบอกว่าถ้าเหมือนเกิดอะไรบางอย่างแล้วตัวเองไม่ยอมรับนะฮะหลวงพ่อมันต้องบอกว่ายอม แล้วทําไมหนูมีความสุกว่าพอพูดคํานี้ออกมาแล้วอะทุกครั้งเลยตั้งแต่มาอยู่วัดแล้วรู้สึกใจเขอยอมจริงๆก็ดีสิยอมยอมซะบ้างแล้วทําไมปกติถึงไม่ยอมอะหนูไม่เข้าใจตรงนี้นะครับเม่เราเริ่มฉลาดแล้วเรารู้ว่าถ้าปล่อยแล้วก็สบายถ้าเข้าไปยึดถืออยู่แล้วมันทุกข์จิตมันเริ่มฉลาดขึ้นนะแต่ก่อนคนเรายั ง, งโง่ตอนนี้คนเราเริ่มฉลาดลรู้สึกไหมใจเราโปร่งใจเราโล่งใจ เ, เราเบามากขึ้นปล่อยไป กระทั่งความตายมารอยอยู่ต่อหน้านะก็ยอมซะอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับยอมรับสภาพที่กำลังปรากฏต่อหน้า ต, ตางๆนะไม่ผลักมันไม่ดึงมันยอมเฉยๆทุกอย่างจะผ่านมาผ่านไปเหมือนหลุดไปจากตัวเราเองเลยหลุดไปเองเลยยังรู้สึกไหมมันเหมือนหลุดหายไปเองเกิดที่เราไม่ได้ทำอะไรทั้งๆที่แต่ก่อนนี้พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะทำแล้วมันก็ไม่หลุดออกไปตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรยอมมันยอมมันมันหลุดออกไปเลย สิ่งทั้งหลายที่เราไปหยิบไว้เนี่ยมันอยู่กับเราได้เพราะเราไปถือมันไว้นะเรายอมนะยอมวางซะมันก็หลุดไปแล้วไม่มีอะไรหรอกเยิ่งง่ายแต่กว่าจะง่ายก็ยากมาแล้วทุกคนเลยเนาะจะว่าจะว่าอิ ง, งโง่อิงก็งโง่นะฮะเพราะว่าจะว่าง่ายมันง่ายอย่างที่หลวงพ่อว่าแต่เวลาที่ยิ่งฟังคนอื่นแ ล, แล้วเวลาอิงเป็นวิทยกรยิ่งมีความรู้สึกว่าเยิ่ ง, งโง่ไปเลยเพราะหลังๆนี้ยิ่งรู้เลยว่า มันเหมือนกับมันไม่ถูกเลยสักทางไม่ใช่ว่าเขาไม่ถูกนะหมายถึงเอี้ยงคือไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่มันเลยเหมือนกับบางทีสงสารน้องเหมือนกันที่ต้องไปเข้าไปตอบในลานทําเห็นตึกตอบคนหนึงเห็นปิ่นเข้าไปตอบแต่ปรากฏว่าพอเอิ้งจะเข้าไปตอบเอีวามรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เลยสักอย่างเดียวมันเลยเหมือนมันมันเหมือนโดนกดทิ้งโดนปัดทิ้งหมดเลยฮะคือใจเรามันเริ่มรู้แล้วว่าถ้ามันปรุงแต่งแล้วมันจะทุก มันไม่ยอมปลุงนะถ้าขืนพยายามฝืนจะปลุงนะปวดหัวตัวร้อนไปเลยปล่อยมันทิ้งไปนะรือว่าให้โอกาสน้องๆเขาทำบุญไปเราไม่ต้องไปแย่งเขาปล่อยนะตอนนี้เอาตัวรอดก่อนเอียงกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะเลิกบ้านึกออกไหมเมื่อก่อนมันเหมือนหมาบ้านะเห็นอะไรกระโดดมาเบียงมาใส่นะกัดมันแหลกเลยไมยกิเลสตัวนี้มากูกัดแหลต ก, กหลตัวนี้มากูก็กัดแหลกอีก การนยอมยอมนี้สําคัญมากนะในนาทีที่จะทําพผู้่ามชาติจริงๆเนี่ยอยู่ที่ยอมนี่เองยอมตายเลยตอนนั้นในภาวะนั้นความทุกข์นี่ยจะบีบคั้นอย่างรุนแรงเนี่ยกายก็แสดงความทุกข์ออกมาเต็มเหนียวเลยจิตก็แสดงความทุกข์เต็มเหนียวเนีลยถ้ายัางทนปฏิบัติต่อไปเนี่ยรู้เลยว่าต้องตายแน่นอนจิตจะระเบิดแล้วใกล้จะตายถ้าระเบิดแล้วรอดมาได้ก็บ้าเนี่ยต้องยอมนะ ตายก็าตายบ้าก็บ้าเลยมันต้องฝึกยอมไปเรื่อยๆนะหัดยอมซะบ้างไปแล้วสบายหัดสู้นะไม่ได้กินหรอกทีเลตเอาไปกินหมดเอาไปเสื้อแดงเสื้อแดงเอาคนนี้ก่อนก็ได้ทางทานครับน้ามะสักวันหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่ามาสามครั้งแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกตอนแรกจะเฉยๆแต่ทีนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนว่าปกติไม่อยากจะตื่นเช้า เพราะว่าจะไปวัดใกล้ๆบ้านเสร็จนี้พอมีความรู้สึกว่ามาเจอหลวงพ่อสามครั้งมันเหมือนมีมวลสะกดทําให้มีความรู้สึกเราอยากจะตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่จะมาค่ะอืทีนี้มีคือลูกมีปัญหาเยอะมากแต่ว่าอยากจะถามหลายครั้งแต่มีความรู้สึกว่ากลัวตัวเองประมาณไม่กล้าถามนี่มันความรู้สึกว่าตัวเองอะโรกเยอะมากค่ะและเสร็จแล้วตอนนั่งสมาธิเนี่ยมีความรู้สึกมันเหมือนทอรมานในท้องอะคะ่ะ และที่เห็นมีความสุขทำให้เรามีความสุ ก, เ ร, สกเราไม่อยากนั่งแลว้วอะที่นี้ไม่รู้ว่าทำถูกก็เปล่าคะก็ถูกนะแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเนี่ยถือว่าเราปวดท้องขึ้นมาอะไรเงี้ยให้เรารู้ทันใจของเราใจเรากระสับกระส่ายนะให้รู้ทันที่ใจนะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ขยับขยื่นเปลี่ยนอิริยาบถไป รู้สึกตัวเองเป็นคนไม่ดีอ่ะคือมีความรู้สึกไม่ไม่ค่อยอยากจะสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่คือตั้งนานใครชวนใครอะไรพี่สาวชวนก็ไม่อยากมามก็เฉ<อ>ยเฉยเลยไม่ถึงเวลาของเราอตอนนี้มันถึงเวลาแล้วปกติตัวเองก็เคยมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าตัวเองน่าจะทําได้แต่ทําไมทําไม่ได้ทําไม่ได้หรอกนะถ้ามาเรียนนานๆจะรู้ว่าไม่มีใครทําได้จิตมันเป็นของมันเองหน้าที่ของเราก็คือรู้สึกตัวบ่อยๆ พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราก็เห็นร่างกายมันทํางานของมันเองแล้วก็เห็นจิตใจมันก็ทํางานของมันเองดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเหมือนลูกพบทางอะคะ่ะคือไปก็ไปหลายที่แต่ก็อ ม, มองแล้วก็เหมือนมีความสุขเฉยๆก็ไปแล้วก็กลับบ้านก็ไม่มีความคิดม่นึกอะไรแต่มีความรู้สึกว่า ม, มนของหลวงพ่อสะกดลูกได้จริงๆอะคะ่ะเนอเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาสะกดจริงๆงค่ะมีความรู้สึกเหมือนว่า อทำไมเราเหมือนมีความสึกเราศรัทธาท่านมากมีความสึกเอ๊ะเราเริ่มปฏิบัติได้แล้วเริ่มคือเป็นคนที่โมโหล้ายมาก mm. แล้วก็กะลูกนี่ก็คือจะรุนแรงอะคะ่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็มีความรู้สึกเอ๊ะพอมาหาหลวงพ่อเริ่มไปบ่อยเข้าเริ่มมีความสึกเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่คือ mm. จะพยายามใจเย็นขึ้น mm. จะสอนเขายังไงทําให้เขามีความสึกว่าเขา mm. เข้ามาวัดปฏิบัติได้โดยที่เขาไม่เหมือน ก, กระสับกระสายอ่ะคะ่ะ mm. เขา ม, มีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นทุกข์ที่เวลาเขาเราชวนเขามาค่ะลูกก็เลยไม่รู้จะทําวิธีไหนอะคะแล้วตอนนี้เขายังทุกข์อยู่ไหมนี่ย่างค่ะนั่งอยู่เนี้ยค่ะอีกหน่อยก็าหาย <c oughs> คืออย่างงี้สิเราหัดภาวนาหัดดูของเราเรื่อยๆนะต่อไปเราเนี่ยมีความสุขจิตใจเรามีความสุขแล้วเราจะใจเย็นเราจะอ่อนโยนกับลูกมากขึ้นต่อไปลูกจะติดใจนะลูกอยากมาวัดเพราะมาวัดแล้วแม่ใจดีอ นี่หลวงพ่อมีตัวอย่างยิ่งกว่านี้อีกไหนครูไหวครูไหว <c oughs> เห็นแวบๆบแบบอ๋อนี่นี่ น, น, นีหันไปดูหน้าเลยเนี่ยเนี่ยฉายาเลยนะครูไหวใจร้ายอาชีพหลักคือตีเด็กนะตอนหลังๆนะมาหัดเจริญสติเข้าเด็กมันกลัวเลยนะมูนี้ครูทําไมไม่ตนะีครูแปลกแปลกไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้เด็กก็มีความสุขนะแล้วถ้าครูเผล อ, เ, ลอเดี๋ยวเด็กก็บอกครูหลงไปแล้วเงี้ยแย่เลย คล้ายๆฝึกฝึกที่ตัวเราก่อนพอตัวเรามีความสุขเด็กก็จะมีความสุขคนในบ้านเราก็จะร่มเย็นแล้ววิธีที่คือว่าสมมติเวลาเราพูดเขาแล้วพูดให้เขาพูดเขาทีนึงเขาก็ไม่ฟังเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าพอเขาไม่ฟังปุ๊บจะโมโ oh หทันทีจะมีความสึกจะแบบอยากจะตีเข า, ากทําให้เขาเหมือนมีความสึกเขาเราโกรธอ่ะแต่ตอนอยู่นี้เรามีความสึกพอเวลาเราพูดเขาคําแรกเขาไม่เชื่อเราก็เลยมีความสึก เขาไม่เชื่อเราก็เฉยเราก็เลยเหมือนมีความสุขเราเปลี่ยนไปสิเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเอาไม้ไปตีนะไปก่อนมันให้เยอะขึ้นอคือเราก็วิธีที่หนูที่คิดว่าคือเวลาพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังคือการเดินหนีคือการไม่สนใจเขานี่ถูกไหมคะไม่ถูกอะนะไม่ถูกหรอคะให้ดูใจก่อนออดูใจเราไปเรื่อยๆเราพูดเพราะมีเมตตาหรือว่าพูดเพราะอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอส่วนมากเราชอบไปบงการชีวิตเขาใช่ ซึ่งไม่ได้หรอกแต่ละคนเขาก็มีทิศทางของเขาเองเราสอนได้เตือนได้นะแต่เราอย่าไปกลุ้มใจเพราะเราเครียดเนี่ยเด็กมันรู้สึกมันก็จะรู้สึกเลยแม่ก็ไม่เห็นดีตรงไหนเลยแม่ก็ไม่มีความสุขแม่จะมาสอนให้เรามีความสุขไม่ได้หรอกเพราะงั้นแม่ต้องมีความสุขก่อนนะอพอแม่มีความสุขแล้วยิ้มหวานหวานไเดี๋ยวลูกก็าหายดือ้อแตแ่นี้ใช้กับหมาไม่ได้นะ หมานะพอเรายิ้มหวานๆด้วยมันยิ่งดื้อกลับขอประคุณหลวงพ่อมากค่ะอ้าวภูมิวันนี้ยกนานแล้วหลวงพ่อก็เห็นหลายทีแล้วลืมเอาว่าไปภูมิครับหลวงพ่อครับรู้สึกจิตมันโปร่งโปร่งสบายค่ะแล้วเห็นจิตมันเกิดดับตอนนี้ตอนนี้หร อ, นนอขณะนี้จิตเป็นไงมันทื่อๆขณะนี้เกินจริงอยู่มันไปดันเหมือนขึ้นมานะครับ ที่ฝึกอยู่ใช่ได้แล้วผม ด, ดูไปเรื่อยๆดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่ดีนะอันนี้ไปกดมันแล้วก็ฟุ้งซ่านไปแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปครับผมไปข้างหลังไปหลวงพ่อค่ะสอบขอส่งกันบ้านค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นโมหะแล้วโทสะเกิดบ่อยมากค่ะอพอมาฟังหลวงพ่อปุ๊บเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นค่ะดีเป็นยังไง คือว่าโมหามันหายไปเยอะลมีพิธีม า, มากขึ้นนะค่ะไม่ต้องไปให้มันหาย ห, ายหรอกการที่เรามีโมหะแล้วเราเห็นว่ามีโมหะก็ดีแล้วละ่ะค่ะการที่เรามีโทสะบ่อยเรารู้ว่ามีโทสะบ่อยๆก็ดีเหมือนกันยอมรับสภาพสิจิตมันจะมีโทสะล้วก็รู้ไปอย่าไปเกลียดมันค่ะแล้วอาการโกรธนี่รู้สึกว่ามันคลายลงไปบ้างที่ผ่านยังไม่หมดใช่ไหมคะคอะาไปจุ๊บ ชืออะไจุ๊บจเรียกอะไรเียไม่จุ๊บนวัตการมหลวงพ่อค่ะก็รู้สึกตัวได้ดีค่ะแล้วก็เจริญสติได้บ่อยๆค่ะโดยมีเครื่องอยู่ค่ะอืดีแล้วนะจะได้ไม่ประมาทค่ะดีแล้วดีแล้วรู้สึกไหมในบ้านเราร่มเย็นมากขึ้นใช่ค่ะในครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นแล้วนะดีแล้วฝึกทั้งบ้านอย่างเงี้ยมีความสุขขอบพระคุณค่ะดีอยู่คนเดียวไม่ได้นะดีทั่วทั้งบ้านะดีที่สุดให้ส่งไปข้างหลัง ช่วงนี้รู้สึกว่าปฏิบัติแล้วบางทีก็ไปคุยกับคนอื่นเรารู้สึกบางทีมันเหมือนแตกต่างนะคะแล้วมันเศร้าๆค่ะเศร้าๆก็รู้ไปสินะเขาเศร้าหรือเราเศร้าเราเศร้าบางทีเขาเศร้าเราก็รู้สึกด้วยนะเอบางทีเราไปเก็บความรู้สึกของคนอื่นมาด้วยนั้นถ้ามันเศร้าๆเราก็รู้ไปค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเหมือนมันตื่นขึ้นมา ค่ะดีแล้วใช้ได้แล้วค่ะ ข, ขอบคุณค่ะบน้ำส ก, การครับหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติต่อนเนื่องครับที่หลวงพ่อแนะนําก็รู้สึกบางครัง้งก็รู้สึกเบาสบายครับก็ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ที่รู้สึกเบาสบายนั้นนั่นคือจิตรู้ถึงถึงฐานหรือยังครับหลวงพ่อใช่ครั บ, รบแต่ตอนนี้กดนะครับขณะนี้เกินจริงข้างหลังน้ำส ก, การหลวงพ่อคะ่ะครั้งนี้ส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะ ก็คือว่าหลังจากที่ส่งกันบ้านครั้งแรกที่สาระลงชินนะคะแล้วกลับไปตามรูตามโดูจินะคะแล้วมีอยู่วันนึ่งนะคะพอดีนั่งอยู่ในรถแล้วพอดีรถคนขับรถจะเกิดการใกล้ๆจะเฉียวกันเกิดอาการเห็นอาการตกใจค่ะแต่ไม่ใช่เราตกใจค่ะมันว่าเป็นความรู้สึกตกใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แว๊มหนึ่งแล้วมันก็ดับไปมาสาวินาทีน่าดีน ะ, ะตัวตกใจเนี่มันเป็นกิเลสตะกูลโธสัตย์นั่นเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุด งั้นบางทีนะเราหัดดูจิตดูใจของเราเนี่ยแล้วเราชาตินี้เราไม่บรรลุอะไรเกิดตายไปชาติหน้าเนี่ยพอเรามีอะไรมากระทบให้ตกใจนะสติจะเกิดเองเลยงั้นตกใจนี่ยเป็นตัวที่เกิดง่ายดีแล้วต่อไปเราก็จะเห็นตัวอื่นเหมือนอย่างนี้แหละไม่ใช่เราตกใจเห็นไหมเห็นแต่สภาวะตกใจต่อไปก็มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีผู้ทุกข์นะมีแต่ความทุกข์มีความตกใจไม่มีผู้ตกใจมีความโลภไม่มีผู้โลภ มีกวามอะไรเกิดขึ้นนะก็มีแต่สภาวะไม่มีเราหรอกฝึกอย่างนั้นน่ะดีละนะเก่งนี่ตกใจแล้วเห็นได้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะวันนี้มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อนะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ลก็ลองหัดฝึกปฏิบัติดูที่บ้านนะคะแล้วก็มีความรู้สึกความคิดมีมากนะคะในสมอง แล้วก็อยากทราบนะคะว่าออตัวตัวจิตตัวผู้รู้ก็คือมีเป็นดวงจิตอันหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ในขณะที่เกิดความคิดนะคะมันจะมีกระแสส่งลงไปที่จิตนะคะแล้วก็มันจะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ใช่บางทีก็เห็นนะคะบางทีก็เลยไปเลยก็คืออารมณ์มันเกิดไปแล้วนะคะ ห, ห, หนูอยากทราบว่า ความคิดกับจิตตรงนั้นน่ะมันมันมันเป็นยังไงกันคะมันเกิดปฏิกิยาอะไรกันเละมันเป็นอย่างนั้นแหละนะพอมันคิดไปแล้วก็ถ้าเราขาดสตินะใจเราก็ไหลไปอินเหนือความคิดพอไปใจมันไปอินในโลกของความคิดนะมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติเราเห็นจิตมันคิดความคิดก็ดับไปชั่วคราวใจก็ไม่ปลุงอะไรขึ้นมาว่างๆเป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้ว ก็ที่ทำอยู่ก็พอจะใช้ได้ดีนะดีแล้วดูเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะเดี๋ยวดูเป็นแล้วขี้เกียจดูขอบพระคุณอ่ะไปส่งไปข้างหลังไปเก่งนะฟังซีดีแล้วก็ไปดูดูเห็นวิถีของจิตได้ค่ะกับน้ำสการหลวงพ่อค่ะขณะนี้หนูรู้สึกแน่นๆหนูดูถูกไหมคะถูกแล้วแล้วที่ผ่านมาหนูรู้สึกเบาๆขึ้นอืถูกต้องถูกแล้วใช่ไหมคะจิตมันเปลี่ยนไปแล้ว ค่อยๆตามดูไปนะมันทํางานของมันเองรู้สึกไหมรู้สึกค่ะดีละค่ะขอคำแนะนามาค่ะนันแล้วไปดูต่อคขอบคุณค่ะอย่าไปบังคับมันก็แล้วกันอ้าวหมอโอ๊ตข้าล่างเกกบนมิตการหลวงพ่อครับก็วันนี้ก็รู้สึกบางทีสงบมั่งฟุ้งบ้างนะครับหลวงพ่อแต่ว่าผมมีข้อสงสัยครับบางทีปฏิบัติไประยะหนึ่งแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันโง่ๆเบื่อๆครับหลวงพ่อ ไม่อยากขอคําแนะนําว่ามันหลงทางบ้างหรือเปล่าครับช่างมันเถอะให้มันโงู้ไปนะครับเราไม่ต้องฉลาดก็ได้เราแค่เห็นว่าไม่ว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับไปเห็นเท่านี้ก็พอละนะปัญญาเราไม่ต้องการปัญญาแตกฉันมากมายปัญญาเราต้องการแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปคุณหมอเห็นไหมว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปทั้งสิ้นรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราบ<ร><ร>ั ง, งคับไม่ได้นะเราบังคับไม่ได้ การที่เราเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอยก็เห็นอนิจจังนะการที่เห็นว่าเราบังคับไม่ได้นี่เห็นอนัตตาเห็นอย่างนี้แหละซ้ําไปซ้ําไปในที่สุดเราจะรู้เลยว่ามันมีแต่ปรากฏการณ์ซึ่งเราบังคับไม่ได้หรอกนะปรากฏการณ์ของรูปธรรมบ้างนามาทำบ้างมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับไปดีขึ้นหมอฝึกคือเราปล่อยให้เขาทํางานไปใช่ไหมครับใช่<อ>เราปล่อยให้เขาทางานไปครับคนทั่วๆไปจิตมันก็ทํางานแบบนี้แหละแต่เขาไม่เคยเห็น งั้นพอทํางานแล้วเขาก็ไปหลงกับมันหลงยินดีบ้างหลงยินร้ายบ้างของเราก็เห็นเขาทํางานไปเราไม่เกี่ยวกราบน้ัพการครับแต่ข้างหลังนะข้างหลังกราบน้ัพการค่ะหนูอยากรบกวนถามให้หลวงพ่อช่วยขยายความคําว่าเบื่อด้วยโทสากับเบื่อด้วยนิพพิทาค่ะความต่างมันยังไงคะคืออย่างถ้าเราจเจริญสติมากๆนะเราก็จะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นมาก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความทุกข์เกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปในที่สุดไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็เบื่อเหมือนๆกันเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวนี่เบื่ออย่างนี้มีปัญญาเบื่ออย่างนี้เรียกว่านิพผิทาเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดเลยส่วนเบื่อด้วยโทสะนะเราเห็นความสุขเกิดขึ้นมาเราชอบเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ชอบมันไม่เท่าเทียมกันเราก็อยากได้อย่างหนึ่งอยากผลักอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เบื่อที่เป็นปัญญาลนะแต่เป็นเบื่อธรรมดาธรรมดาตามใจกิเลส ถ้าเราเบื่อที่จะรู้นี่ถือเป็นเบื่อกิเลสหรือว่าเบื่อกิเลสเบื่อที่จะรู้ไม่ได้นะต้องพยายามรู้ไปมันเบื่อแล้วก็รู้ว่าเบื่อไปคือรู้จนเบื่อนี่หรอค่ะถูกแล้วเราเป็นโสดาใช่ไหมคะไม่ไรู้ไปเรื่อยนะมันจะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะะให้อดทนไปอีกให้ดูความเบื่อไปเช่นเดียวกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นแหละคือเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องถึงจุดหนึ่งมันจะเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้ว เบื่อตัวรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่เบื่อทุกสิ่งเลยนะพอเบอื่อตัวรู้นี่จิตมันจะรวมหลบลงไปข้างในเรื่อยๆมันปรากฏอยู่ประมาณสามครั้งอะคะ่ะเมืม่อสักสองสามเดือนก่อนอนะแต่ก็ดูมันไปเรื่อยๆอะคะ่ะจนกระทั่งมันมันไม่ปรากฏอีกเอปรากฏก็ช่างไม่ปรากฏก็ช่างไม่ว่าสภาวะอะไรปรากฏนะให้สักว่ารู้สักว่าเห็นเสมอภาคกันทั้งหมดเลยค่ะหลวงพ่อค่าช่วยขยายความว่าความเป็นกลางที่จนกิเลสไม่สามารถปรากฏได้นี่ คือคือที่สุดของการวางจิตวางตัวเองใช่ไหมคะคือจิตมันจะมีปัญญานะความเป็นกลางมันมีหลายแบบเป็นกลางเพราะไปบังคับไว้ก็ได้นะเช่นคนจะมาด่าเราเนี่ยเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไว้เงี้ยก็เป็นกลางไม่โกรธเขาอย่างงี้ด้วยการบังคับใช้ไม่ได้อีกอันนึงเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนต่อนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตก็สักแต่ว่ารู้สักว่าเห็น ตรเมื่อกี้หลวงพ่อได้กล่าวว่าการที่จิตไม่ดิ้นล้นเนื่องจากความเป็นกลางในภพชาติไม่เกิดใช่ไหมคะไม่เกิดต่อแล้วภพชาติเดิมที่เราสะสมไว้เป็นวิบากจะหายไปจะใช้จนหมดแล้วก็สิ้นสิ้นภพสิ้นชาติด้วยตรงสิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยไม่ได้ไปเอาของเก่านะหมายถึงไม่ทําของใหม่ขึ้นมาพราะของใหม่ไม่เกิดแล้วของเก่าจะตามมาไหะของเก่าไม่ได้ตามมาเสียจะตามไปไหนล่ะวิบากทั้งหลายก็ตามไปเล่นงานเราในภพเท่านั้นแหละ เมื่อพบชาติสิ้นก็จบก็จบตรงนั้นนะมันตามได้เฉพาะร่างกายตามมากระทบร่างกายได้แต่ว่าไม่กระทบจิตใจแล้วอย่าไปรีบร้อนจบนะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไปค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนวนวข้างหลังฟังซีดีหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดว่าสติคือภาวะที่จิตจำสภาวะได้อะค่ะ นี้อยากรู้ว่าเราปัญญาเป็นยังไงอะะปัญญาเนี่ยนะมันเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะสติเนี่ยมันระลึกขึ้นได้ว่าสภาวะอันเนี้ยปรากฏขึ้นมามันจะรู้จักว่าความโกรธปรากฏขึ้นมามันต้องจำความโกรธได้รู้ว่าความโกรธมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงนี่ปัญญาเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์และสติทาหน้าที่รู้สภาวะรู้ถึงความมีอยู่ของสภาวะ เช่นความโกรธผุดขึ้นมาสติรู้แล้วว่ามีความโกรธผุดขึ้นมาปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นจริงของสภาวะว่าไอ้ความโกรธนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันมีเหตุมันก็โผล่ขึ้นมาเราบังคับมันไม่ได้ด้ว ย, ยปัญญาจะเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์สติจะเป็นตัวรู้สภาวะเพราะงั้นเวลาที่เราจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเรามีเครื่องมือสาคัญสองอันอันหนึ่งคือรู้ด้วยสติอันนึงรู้ด้วยปัญญา รู้ด้วยสติเช่นหายใจออกเราก็รู้สึกอยู่หายใจเข้าก็รู้สึกอยู่นี่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาก็รู้ความจริงว่าตัวที่หายใจออกตัวที่หายใจเข้าเป็นแค่วัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่รู้ด้วยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะค่อปัญญามันเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจความจริงของกายของใจความจริงของเขาคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราปัญญาเกิดเองนะเมื่อจิตเราตั้งมั่น ปัญญาเกิดจากจิตเรามีสัมมา ส, สมาธิจิตเราตั้งมั่นแล้วก็สติคอยรู้กายสติคอยรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นไปเรื่อยๆพอจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี่เราจะเห็นทันทีเลยจะมีปัญญาเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราพอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้เราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่สติไปะระลึกรู้เข้านี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาทั้งหมดกุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเรา ปัญญาจะเป็นตัวที่ไปรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราเน่ยแหละอ่ะไปคนโน้นไปแล้วเดี๋ยวมาแถวที่สามนะที่สามนี้หลวงพ่อติดค้างอยู่นานละกะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสามสี่เดือนแล้วค่ะแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาในภาวะปกติก็รู้สึกว่ามันก็จิตใจก็คือเหมือนกับเรามีสติท่าชีวิตเราแบบอยู่ไม่มีอะไรมากระทบ หรือถ้ามีอะไรมากระทบแบบเบาๆเราก็จะเหมือนเห็นเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้ามันมีอะไรมากระทบที่แรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อซึ่งรู้สึกว่ามันเราเห็นว่ามันขาดเราขาสติแต่เห็นแบบตอนหลังจากผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวันค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเวทนามันอยู่อยู่แบบเราก็เห็นว่ามันฟุ้งซ่านแล้วเราก็ เห็นแต่ว่าทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วมันก็อยู่มันไม่ดับไปนะคะหลวงพอ่ออย่าไปอยากดับนะเราพยายามเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเพื่อให้เห็นว่าเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราบังคับไม่ได้พยายามดูไปอย่างนี้ไม่ใช่ดูเพื่อบังคับให้ได้พอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้ใจจะปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วไม่ทุกข์แล้วคราวนี้ก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะรู้สึกไม่ชอบนี่งไงโทรศัพท์มันแทรก ให้เรารู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าโทสะแทรกและเราไม่ได้รู้อย่างเป็นกลางที่แท้จริงเรารู้แบบลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายสักทีแล้วถ้าเกิดอย่างนี้จะมีวิธีแบบให้เรารู้ทันว่าใจเราไม่เป็นกลางไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันที่ใจเหล่านี้อ๋อกลับมารู้ที่<ว>กลัารู้่ดูว่าผู้ดูไม่ไมเป็นกลางาอาเราไม่เป็นกลางเช่นโทสะหรือความทุกข์เกิดขึ้นเนี้ยเราอยากให้หายเนยใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันความอยากนั้น พอความอยากดับนะความทุกข์จะดับไปด้วยอทีนี้ตอนนี้ก็มันความฟุ้งซ่านมันดับไปบ้างระดับหนึ่งแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะว่าคือพอสติเกิดปุ๊บมันก็จะเห็นว่าปัญหามันคือเป็นอะไรเป็นอะไรปุ๊บแต่ว่ามันก็ยังมีติดอยู่ว่าความที่ไม่ชอบใจใ น, น, นอารมณ์<ป>เราบางอย่างก็ติดติดเป็นแบบไปหางอยไปหัดดูความไม่ชอบนั่นแหละหหและนะพัฒนาการดูของเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ส่งมาข้างหน้าแถวนี้เลยมาส่งมาเลยเอาแปะที่คุณเสื้อเหลืองอีกหนึ่งคนนะแล้วคนอื่นอย่าฮุบไปนะส่งมากราบนมัส ก, การหลวงพ่อนะครับก็ติดตามหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วนะครับแรกๆก็ฟังไม่รู้เรื่องเพื่อนเปิดให้ฟังก็ไม่พอใจ <c oughs> ก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเอง จิตรู้ขึ้นตื่นขึ้นแต่ยังไม่เบิกบานเนื่องจากว่ามีทุกทางร่างกายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ก็มีบททดสอบพอวันถัดมาก็มีพี่สาวพูดจาหรือทำกระทำให้เราแบบไม่พอใจแต่เราก็เราก็รู้ว่าไม่พอใจมีโทสะจริตเกิดขึ้นแต่ก็ตามรู้ทันแล้วก็สงบ สงบลงแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองไปบังคับให้สงบลงหรือเปล่าเราไม่ได้บังคับนะจิตของคุณมันตื่นขึ้นมาแล้วมันเริ่มเห็นอะไรๆประเบาบางกว่าที่มันเคยเป็นรู้สึกไหมครับผมโลกนี้จะค่อยๆเบาบางไปเรื่อยคือเมื่อก่อนนี่เหมือนพี่ผู้หญิงข้างหน้าเลยฮะโทสะจริตเยอะมากคนรอบข้างพูดหรือทําไม่พอใจลูกน้องทําอะไรไม่เข้าท่าก็จะโหโมหะออกมาเลยทั้งทั้งสีหน้าท่าทางแล้วก็กว่าจะรู้ก็ ตกเย็นแล้วอา้าวเราโมโหลูกน้องอแต่เดี๋ยวนี้จะจะรู้ได้เร็วขึ้ น, นดีนะไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดไปเองหรือรู้ครับใช่ได้ ร, รู้แล้วขอบคุณครับมาส่งมาข้างหน้านะแถวที่สามตรงนะคนสุดท้ายนะเอาหาันไปรับไมมาฮัลโหลครับคือช่วงนี้เวลาปฏิบัตินะครับผมแล้วเวลามันมีจิตคิดกับความรู้สึกไอตัวความคิดเนี่ยมันเป็นของปลอมใช่ไหมครับ ไอ้ความรู้สึกมันเป็นของจริงที่เราควรจะรู้<ช>แต่ว่าไอ้ไอ้ความคิดมันเป็นของที่มันมาหลอกเราเมือนัน ห, หลอกเชพีหลอกใช่มเมื่ีหลอกแล้วตกใจตกใจเนี่ยของจริงแล้วอย่างความว่างเนี่ยมันมีมาสองอาทิตย์แล้วผมคิดว่ามันมีแค่เดี๋ยวมันก็หายแต่มันยังไม่หายเแต่ว่าก็จับได้สองอย่างว่าถ้าสมมุติว่าไปหลงกับมัน เราก็ไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมากับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าทำความว่างให้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะบรรู้อันนี้มันก็ผิดอีกคือทำให้มันเป็นธรรมชาติมันจะว่างก็ว่างไม่ว่างก็เรื่องของมันมต้องอย่างไรออถูกต้องนะออมันเป็นเหตุก็เป็นก็เป็นเรื่องของมันมก็แล้ว ก, ก็รู้ไปอย่างนี้ให้เรารู้กายรู้ใจไปพระเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตาสติปฐานอะไรก็ไม่มีนะ แต่ที่มันว่างมันเป็นอาการของมันเองแล้วแต่มันเป็นช่วงว่างขั้นระหว่างความวุ่นวายสองอันเท่านั้นงครับผมเดี๋ยวมันก็วุ่นครับแล้วตอนนี้มีอะไรติดอยู่ไหมครับผมมือติดไหมเท่านั้นพอว่าโอเคครับพอวางก็หายนะเอาเชิญกลับบ้านไปเห็นเก่งไหมพอคิดจะเลิกพูดเกิดหลวงพ่อมันคลายเลยนั่นแหละดีแล้วรู้สึกตัวเป็นแล้ว